มพสาแผ่นที่35ห้ให้คติธรรมหัวข้อว่าจงเตือนตนด้วยตนเองคติธรรมคำว่าจงเตือนตนด้วยตนเองถ้าหากว่าคนอื่นว่ากล่าวตักเตือนเราอันนั้นก็คือเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นต้นเรื่องจะไม่ให้มีใครกล่าวเตือนเราเลยก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้น ถ้าหาว่าไม่มีใครกล่าวเตือนเราเลยเราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องอาศัยใครเราก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเต็มตัวจากนั้นเราก็เตือนตนด้วยตนเองตลอดก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการว่ากล่าวหรือว่าการตักเตือนจากคนอื่นหรือเป็นแบบฉบับในเมื่อเขาเตือนเราเรารู้แล้วว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควร จะปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้มาแล้วทั้งคดีโลกและคดีธรรมในเมื่อเรารู้แล้วแต่ทีนี้ถ้าว่าบางคนมีคนมากล่าวว่ากล่าวตักเตือนก็อารมณ์ของเราบางทีก็จะโกรธโมโหให้แก่เขาไม่พอใจ กับเขาผู้มาตักเตือนเราแต่ตามไจริงในหลักของพระพุทธศาสนาผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนเรานั่นแลผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้อันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยมีผู้ว่ากล่าวตักเตือนแนะนำสั่งสอนแต่ถึงยังไงก็เถอบางท่านบางคนต้าว่ามีผู้ว่ากล่าวตักเตือน ก็ไม่เป็นที่พอใจเพราะนั้นการเตือนตนด้วยตนเองอันนี้ประเสริฐกว่าเพราะว่าเราก็รู้แก่ใจว่าเราคิดเราพูดเราทำอะไรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเพราะนั้นเรารู้แก่ใจทั้งการคิดการทำและการพูดอย่างนั้นแล้วจะให้ใครมาตักเตือนเรา เราก็ต้องตักเตือนเราเตือนตนด้วยตนเองอันนี้เราคิดอย่างนี้อย่าคิดนะอันนี้คือคิดผิดเสียแล้วเป็นการเบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยไม่ถูกต้องตามธรรมคำสั่งสอนไม่ถูกต้องตามกฎประเพณีอันดีงามคือศีลธรรมเราทาอย่างนี้ถึงจะที่รับที่แจ้งก็ตาม เราก็รู้แก่ใจว่าการทําอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเราก็ควรจะเตือนตนด้วยตวนเองการพูดก็เหมือนกันการพูดอย่างนี้เราพูดกระทบกระแทกแดกดันหรือพูดเอารัดเอาเปรียบหรือพูดอย่างไรที่การพูดนี่ไม่มีใครที่จะรู้แก่ใจของเราว่าเราพูดอย่างนี้มันเป็นาการเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นอย่างไรบ้าง อันนี้ขอขอให้พวกเราเตือนตนด้วยตนเองถ้าพวกเราเตือนตนด้วยตนเองอยู่ในทุกอริยาบททุกขณะพวกเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขเพราะนั้นกติธรรมในแผนที่สาสห้านี้ขออำนวยอวยพรขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาแผ่นนี้ขอขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในธรรม ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆ ท, ท่านเทิน